จเจริญสุขท่านสาธุชนและท่านผู้ฟังผู้สนใจไฝ่ธรรมทุกท่านต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านสาธุชนเข้าสู่รายการธรรมะสู่สันติ ซึ่งเป็นรายการธรรมะของวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีพบกันเป็นประจำในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสถานีแห่งนี้วันนี้ทางรายการจะให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังคติธรรมเกี่ยวกับอานิสงฆ์ของการให้ทานโดยพระอาจารย์มหามนตรีขันติสาโรแต่ก่อนที่จะติดตามรับฟัง อาตมาข อ, อนำอมตะมหาวาจาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงพ่อวัดปากน้ํามาฝากท่านผู้ฟังสักนิดหนึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านได้แสดงพระธรรมเทศนาเอาไวใ้ให้แก่สานุสิ์ได้ศึกษาว่าทานการให้ไม่ใช่เป็นไปแต่ในพระพุทธศาสนาก่อนพุทธกาล พระพุทธเจ้าของเรายัางไม่อุบัติตรัสขึ้นในโลกการให้นี่เขามีกันอยู่แล้วมีอย่างไรจําเดิมแต่มารดาบิดาเมื่ออยู่ร่วมกันก็ต้องให้กันแล้วต้องให้ความสุขให้เงินทองข้าวของเสื้อผ้าซึ่งกันและกันมีอะไรก็แจกกันรับประทานไปใช้สอยไปนี่ก็เรียกว่าให้ถ้าไม่ให้กัน ก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ต้องแยกจากกันทีเดียวแหละถ้าให้กันแล้วก็อยู่ด้วยกันได้นี่การให้นี้เป็นข้อสําคัญนักการให้เป็นหลักสําคัญที่จะให้ความเจริญรุ่งเรืองแก่ผู้ให้ถ้าถ้าว่าไม่มีทานการให้แล้วคนจีนที่มาจากที่มาจากเมืองนอกจะไม่รวยเร็วถึงขนาดนี้ดอ เพราะทานการให้นีแหละยิ้มทีเดียวเจอเท่าโล่ใหญ่ๆเขาก็ทำงานใหญ่ๆกันเมื่ออยากจะทำงานกับเขาด้วยแต่เขาไม่ค่อยยอมให้ทำเมื่อไม่ยอมให้คนกินที่ฉลาดก็ฉลาดค่อยๆให้เล็กๆให้น้อยๆเข้าไปก่อนเอ๊ะไอ้นี่ดีนี่ให้หนักเข้าไปทุกทีแหละพอมีกำลังให้หนักขึ้น ให้มากจนกระทั่งผูกภาษีอากรเป็นเท่าแก่ใหญ่โตขึ้นมาเพราะให้ไม่ใช่หรือถ้าไม่ให้ก็ไม่ได้เป็นเท่าแก่ผูกภาษีอากรเป็นเท่าแก่ใหญ่โตขึ้นไปเพราะให้ไม่ใช่หรือถ้าไม่ให้ก็ไม่ได้เป็นเท่าแก่ผูกภาษีอากรนะสิเพราะให้นั่นแหละเป็นตัวสำคัญนักคนจีนเขาจึงได้พูดยืนยันว่า ลูกไก่ยังกินข้าวสารอยู่ตราบใดแล้วก็เขาอยู่เมืองไทยไม่จนแน่เขาบอกอย่างนี้แหละถ้าว่าลูกไก่ไม่กินข้าวสารจีนเขาก็จะยอมจนละจะไปให้อะไรใครก็ไม่ได้ถ้าว่าให้อะไรใครไม่ได้จะหาการงานหางานการอะไรได้เพราะตนเป็นคนต่างบ้านต่างเมืองมาดังนั้นการให้ ซึ่งกันและกันนี้จึงสําคัญนักนี้เป็นตอนหนึ่งของพระธรรมเทศนาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรทางรายการยกมาเป็นเบื้องแรกของรายการเพื่อที่จะให้สาธุชนได้เห็นความสําคัญของการให้แม้แต่พระเถระเทรารจารย์ในอดีตที่เป็นที่เคารพนับถือ ของลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศก็ได้พูดยืนยันถึงการให้ว่าการให้ทานนั้นมีอานิสงฆ์ทําให้คนอยู่ดีมีสุขและอยู่ร่วมกันได้เป็นสังคมเอื้ออาทรต่อกันวันนี้ทางรายการจะให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังธรรมบรรยายจากพระอาจารย์มหามนตรีขันติสาโรที่จะมาพูดถึงอานิสงฆ์ของการให้ทานแก่ท่านผู้ฟัง ได้รับฟังเป็นพอเป็นเครื่องประดับสติปัญญาเพิ่มพูนความรู้สร้างสมปัญญาบารมีในการประกอบกิจการในการประกอบการบุญการกุศลของท่านสาธุชนทั้งหลายขณะนี้พระอาจารย์ก็ได้มาอยู่ตรงนี้กับอาตมาแล้วขอเชิญท่านผู้ฟังทุกท่านตั้งใจรับฟังธรรมะจากพระอาจารย์มหามนตรีขันติสาโร ปเปียนทำก้าวประโยชน์วัดปากน้ำํำพาสีเจริญกรุงเทพในเรื่องอานิสงฆ์ของการให้ทานกราบราตนาพระจานได้บรรยายทำให้แก่สาธุชนครับขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้อาตมาภาพจะได้บรรยายทำเรื่องอานิสงฆ์แห่งการทําบุญให้ทานขอให้ทุกท่านตั้งใจสดับรับฟัง สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่กูตาคารสาลาป่ามหาวันเมืองเวสาลีครั้งนั้นสีหะเสนาบดีเขาไปกราบทูลถามพระพุทธองค์ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอานิสงส์แห่งทานที่เห็นได้ในปัจจุบันจะมีปรากฏบ้างหรือพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสตอบว่าท่านสีหะอานิสงส์แห่งทานที่เห็นได้ในปัจจุบัน จะมีปรากฏได้สประการคือ 1. ทานนบดีผู้ให้ทานซึ่งเป็นใหญ่ในทานย่อมเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของประชาชนเป็นอันมาก 2. คนดีที่เป็นสัตตบรุษย่อมคบหาสมาคมกับทานนบดีผู้ให้ทานซึ่งเป็นใหญ่ในทาน 3. กิติสัพอันงามของทานนบดีผู้ให้ทานซึ่งเป็นใหญ่ในทาน ย่อมขจจันรกระจายไปไกล 4. ทานนบดีผู้ให้ทานซึ่งเป็นใหญ่ในทานจะเข้าไปหาประชาชนหมู่ใดจะเป็นกษัตริย์พราหมณ์ขรรภดีหรือสมณะจะเป็นผู้กล้าไม่เคะเคินเข้าไปหาประชาชนหมนู่นั้นอานิสงส์สีประการนี้เป็นผลแห่งการทบุญให้ทานที่เห็นกันได้ในปัจจุบันจะมีปรากฏได้ทุกเมื่อ จากนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัอสอาณิสง์แห่งทานที่เห็นได้ในอนาคตเบื้องหน้าต่อไปว่าทานอบดีผู้ให้ทานซึ่งเป็นใหญ่ในทานเมื่อสิ้นชีวิตไปแลว้วย่อมจะไปบังเกิดในสุกติโลกสวรรค์ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายพึงทราบ ว, ว่าการตะบุญสุนทานในพระพุทธศาสนาในคัมภีร์พระพุทธศาสนาพรรณนาอาณาสง์ไว้ว่า หนึ่งบางคนตนเองให้ไม่ชักชวนผู้อื่นเขาย่อมได้รรพวกกระซับไม่ได้พวกพ้องบริวารเมื่อเขาไปบังเกิดใหม่ในชาติหน้าสองบางคนชักชวนแต่คนอื่นแต่ตนเองไม่ให้เขาย่อมได้พวกพ้องบริวารไม่ได้พวกทรัซับเมื่อเขาไปบังเกิดใหม่ในชาติหน้าสามบางคนตนเองก็ไม่ให้ทั้งไม่ชักชวนผู้อื่น เขาจะเป็นคนอนาถาไร้ที่พึ่งพาอาศัยได้กินอิมมอ่มบ้างไม่อิ่มบ้างแม้จะแบมือขอเขากินเขาก็ให้บ้างไม่ให้บ้างอาหารไม่เพียงพอจะประทังชีวิตไปได้แต่ละวันเลยเมื่อเขาไปบังเกิดใหม่ในชาติหน้าสี่บางคนตนเองให้ทั้งชักจวนผู้อื่นเขายอมได้ทั้งพวกกระซับได้ทั้งพวกพ้องบริวารเมื่อเขาไปบังเกิดใหม่ในชาติหน้า ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายบางคราวเราไปทำบุญอาจทำด้วยความเป็นผู้มีปมด้อยเพราะด้อยด้วยทรัพย์สินเงินทองมีฐานะการเงินไม่ดีการทำบุญนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายโปรดอย่าได้คิดน้อยเนื้อต่ำใจเช่นนั้นเพราะอาจจะบรรดานในผลบุญน้อยลงไปเพราะทำบุญน้อยนี่แหละเชื่อไหมว่าเกิดมีอานิสงส์มากก็มีอยู่ทมไปดูจากเรื่องนี้เป็นตัวอยา่าง วิสาขามหาอุบสิกาผู้มีทรัพย์มากถึง5 4 0สี่สิบล้านบริจาคทรัพย์270บล้านในการสร้างบุพพารามมหาวิหารถวายแด่ประสงค์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานคือใช้ในการซื้อพื้นที่ที่จะสร้างวัด90บล้านใช้ในการจัดสร้างวัด90บล้านและอีก90บล้านใช้ในการจัดฉลองบุพพารามมหาวิหาร บุพารามาวิย า, านันวิสาขามาวบาสิกาสร้างเป็นอาคารสองชั้นชั้นล่างห้าร้อยห้องชั้นบนห้ารอห้องแต่ละห้องปูพรมไว้เต็มหมดแล้วอาจจะกล่าวได้ว่าไม่มีที่ว่างสำหรับผู้ที่จะร่วมบุญกุศลกับเธอได้เลยในวันฉลองมหาวิหารบุพารามนางสุปิยาซึ่งเป็นเพื่อนเก่าแก่ของวิสาขามาวบาสิกา ซึ่งมีฐานะการเงินไม่ค่อยจะดีนะแต่ปรารถนาจะทบุญร่วมกับวีสาขาหมาวาสิกาบ้างเมื่อให้คนใช้แบกพรมขึ้นไปชั้นล่างของมหาวิหารบุพารามก็หาที่จะปูพรมลงไปไม่ได้ครั้นจะนำกลับไปหรือก็ละอายแขกเรือที่มาในงานในวันนั้นซึ่งล้วนเป็นเศรษฐีกระราบดีทั้งนั้นนางสุปิยายืนเก้ะก๊กงอยู่ย ก็อพอดีวิสาขามาอวสิกามาพบเข้าจึงพูดกับนางว่าเอาแม่นางจเจ้าพรหมมาปูพื้นห้องบุพพารามหาวิหารหรือนางสุปรยาก็ตอบว่าใช่แต่ยังหาสถานที่ที่จะปูพรมลงไปไม่ได้วิสาขาหมาอวสิกาเองก็หนักใจเหมือนกันเพราะว่าทุกห้องปูพรมเต็มหมดแล้วไม่มีที่ว่างเลยสักพื้นที่เดียว ครั้นจะปฏิเสธนางสุปรยาไปหรือก็อึดอัดใจเต็มที่และเกรงว่าจะเป็นบาปแก่นางเองด้วยเธอคิดอยู่ครู่หนึ่งจึงบอกว่าเอ๊ยยังมีอยู่อีกที่หนึ่งนะซึ่งยังปูพรมไม่เต็มอยู่ยังขาดอยูอ่นิดเดียวคือสถานที่หน้าบันไดโนนพอจะปูพรมได้กระมังนางสุปรยาได้ฟังดังนั้นก็นึกตําหนิวิสาขามาวบสิกาอยู่เหมือนกันว่า ฉะ น, นันาะจึงให้เราเอาพรมไปปูไว้ที่หน้าบันไดคล้ายๆจะตำหนิว่าดูถูกทานที่เรานำมาชัดๆเพราะของที่ไว้หน้าบันไดนั้นน่ะดูเหมือนจะเป็นของต่ำเกินไปว่าอย่างนั้นเถอะแต่เธอก็ข่มใจเอาไว้ได้คิดว่าเอามาทำบุญแล้วไม่เป็นไรจากนั้นจึงบอกให้คนใช้ให้นำาอาพรมไปปูไว้ที่หน้าบันไดตามที่วิสาขามาหาวาิจกาบอกไว้ด้วยความไม่เต็มใจเอาเสียนเลย สักครู่ต่อมาสมเด็จพระบรมศาสัสดาสัมมาสัพพตเจ้าสเสด็จมาถึงบุพารามมหาวิหารพร้อมกับพระสงฆ์หนึ่งหมื่นรูปพระพุทธองค์ทรงดำเนินผ่านชั้นล่างไปก่อนจะขึ้นไปชั้นบนทรงเช็ดพระบาทที่พรมก้องนางสุปิยาที่ปูลาดไว้เป็นพระองค์แรกแต่พระภิกษุหนึ่งมืนรูปก็เช็ดเท้าที่พรมนั่นแหละนางสุภิยาเห็นเช่นนั้นดีใจจนน้ำตาไหลพร่ เรานึกไม่ถึงเลยว่าสถานที่วิสาขามาวสิกาบอกให้เอาพรมไปปูไว้นั้นน่ะจะกลายเป็นสถานที่ที่พระพุทธองค์จะเช็ดพระบาทเป็นท่านแรกพร้อมกว่านั้นก็นึกถึงบาป ท, ที่ตนเองตําหนิวิสาขามาวสิกาในตอนต้นนั้นว่าเราไม่ควรนึกตําหนิวิสาขามาวสิกาเลยสํานึกบาปนั้นได้ขึ้นมาแล้วภายหลังเมื่อพุทธองค์พร้อมกับประสงค์หนึ่งมืนรูปฉันปต่างหันเปลี่ยนเรียบร้อย อนุโมทนาแล้วและพิธีรับบุพพารามหาวิหารสําเร็จเสร็จสิ้นไปแล้วเสด็จกลับไปนางสุปรยาจึงก็ไปหาวิสาขามาวิสิกากล่าวขอโทษนางในความคิดที่เป็นบาปแต่แรกนั้นวิสาขามาวิสิการู้สึกตกใจเอามากทีเดียวเพราะที่เธอบอกให้เธอเอาพรหมไปปูไว้ที่หน้าบันไดานั้นน่ะไม่ได้มีเจตนาจะดูหมิ่นทานของนางสุปรยาแต่ประการใด ก็เพราะไม่มีสถานที่ที่จะปูลาดลงไปจริงๆวิสาขามาวิสิกาจึงกล่าวขอขมาโทษนางสุปริยาในขณะนั้นด้วยเพราะวิสาขามาวิสิกาไม่ได้คิดไว้แต่แรกจริงๆและก็ชื่นใจในทานของนางสุปริยาที่ผลร้ายกลับกลายเป็นผลดีแก่ผู้ให้ทานในวันนั้นที่พระพุทธองค์ทรงเยียบปมของนางสุปริยาเปท่านแรกญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย การบำเพ็ญบุญทานการกุศลสำหรับคนไทยเรานั้นนิยมอุทิศส่วนบุญกุศลไปให้ญาติของตนที่วายจนไปสถิตยอยู่หนะ้าโลกเบืองนะ้ะความจริงบุคคลที่ละโลกนี้ไปแล้วนะ่ะย่อมจะได้รับผลบุญกุศลลทานที่ตนกระทําไว้ในเมื่อ ย, ยังมีชีวิตยอยู่ในโลกนี้ประการหนึ่งอีกประการหนึ่งจะได้รับผลบุญทานการกุศลจากญาติของตนที่อุทิศไปให้จากบุรุษสี่ยโลกนี้ประการหนึ่ง อย่างไรก็ตามเขาจําแนกคนที่อยู่ในโลกในไว้สามประเภทโดยกันคือประเภทที่หนึ่งคนทาบุญทานไว้มากก็ยอมได้รับผลแห่งบุญกุศลทานที่เรียกว่าสเบียงนั่นแหลที่ตนทาไวมากผู้ที่ทาบุญทานไว้น้อยก็ยอมได้รับผลแห่งบุญกุศลทานนั้นน้อยประเภทที่สผู้ที่ไม่เคยทาบุญทานไว้เลย ละโลกนี้ไปแล้วก็ย่อมไม่มีบุญกุศลเป็นสเสบียงเลี้ยงตัวเองต้องอดยากปากแห้งแม้เกิดมาเป็นมนุษย์ในชาติต่อไปก็ต้องอาศัยข้าววัดกินอาศัยวัดเป็นที่อยู่หลับนอนไม่เอื้ออาทลต่อพระพิสุสัมเณีทําตนให้ไปที่หน้ารังเกียจของพูสะสัมมณีไปวันหนึ่งวันหนึ่งเรียกว่าอาศัยเขาอยู่อย่างครบวงจรหวังแต่ว่าขอเพียงเอาแต่ได้ไม่ยอมใจว่าอย่างนั้นเถอะ คนประเภนี้บางทีเคยสร้างบุญวัติชาติบางก่อนโน้นเกิดมาจึงมีทรัพย์สินเงินทองมากมายก็ตระนีทีเนียวกลัวหมดกลัวศูญย์ทำตนเป็นปูโ่โสมเฝ้าทรัพย์ยอมอดอยากปากแห้งอยู่อย่างนั้นตลอดไปดังมีเรื่องปรากฏในกำภีพระพุทธศาสนาอัตกรถาธรรมบทความว่าพราหมณ์คนหนึ่งไม่เคยให้อะไรแก่ใครใครเลยขีเนียวจัดสิ่งใดที่ตนอยากจะได้จากใครๆ แม้จำจะต้องถูกว่ากล่าวทากทางจากคนข้างเคียงหรือไปที่น่ารังเกียจของคนทั่วไปก็ไม่เบื่อละอาทนอยู่ได้ทั้งยังเสนอหน้ามุ่งที่เอาสิ่งนั้นมาให้ได้ยอมหน้าทนเอาจนได้เพียงแต่ขอให้ได้สิ่งนั้นมาโดยที่ตัวเองไม่ต้องโลนตุนอะไรเลยคราวหนึ่งบุตรชายคนเดียวของแกป่วยเป็นโรคผอมเหลืองหรือโรคดีซ่านด้วยความตารำนีทีเหนียว แกก็เที่ยวไปเก็บเอาเปลือกไม้ใบหญ้าตามที่ตนไปหลอกถามมาจากหมอเอามาต้มยาให้ลูกชายดื่มกินกระทั่งวาระสุดท้ายของลูกชายคนโปรดที่จะต้องสิ้นชีวิตมีเพื่อนบ้านไปเยี่ยมมากๆแกก็บ่นว่าห้ามมาเยี่ยมเพราะกลัวจะไปเห็นทรัพย์ของคนขี้เหนียวอย่างแกแม้กระทั่งน้ําดื่มก็ไม่ยอมให้ใครดื่มเลยในที่สุดลูกชายสิ้นชีวิตด้วยจิตมั่นในพระพุทธเจ้าไปเกิดเป็นเทวดา ฝ่ายเจ้าคนขี้เหนียวเกรงว่าชาวบ้านจะมาช่วยเผาเพราะกลัวจะเสียของที่จะต้องเป็นของจำรวยบ้างอาหารน้ำดื่มบ้างและกลัวจะเป็นบุญคุณต่อผู้อื่นบ้างจึงนำศพลูกชายไปเผาตอนหลังที่คืนไปแล้วพอเผาเสร็จแกก็ไปยืนร้องไห้คิดถึงลูกชายสุดที่รักตอนนี้วิญญาณของลูกชายได้แปลงกายเป็นชายหนุม่มมายืนร้องไห้อยู่ใกล้ๆพอ่อ รามได้ยินเสียงร้องไห้ก็นึกว่าใครกันนะยังอุตส่าห์มาช่วยเราเผาศพลูกชาย ท, ทั้งทั้งที่ตอนนี้ก็ดึกสงัดมากแล้วพอเหลือบไปเห็นชายหนุ่มร้องไห้จึงตะโกนถามไปว่าเฮ้ยแกร้องไห้เพราะสาเหตุอะไรกันหรือชายหนุ่มจึงตอบมาว่าผมอยากได้รถที่มีล้อหน้าเป็นพระอาทิตย์ล้อหลังเป็นพระจันทร์พอหาซื้อให้ไม่ได้ผมก็ร้องไหน้น่ะสิ พราหมได้ยินดังนั้นจึงตะโกนไปว่าไอ้บารถพันธ์อย่างนั้นใครจะไปหาซื้อได้ที่ไหนแกร้องไห้เพราะเรื่องไม่เข้าท่าเจ้าคนหน้าโง่ครั้นชายหนุ่มถามถึงเหตุผลที่พราหมณ์ร้องไห้บักพราหมณ์ก็ตอบว่าร้องไห้เพราะคิดถึงลูกชายที่ตายไปหนักครั้นถามว่าตอนที่ลูกชายไม่สบายเคยหาหมอมาเยียวยารักษาหรือไม่แกก็ตอบว่าไม่เลยชายหนุ่มจึงกล่าวว่าเมื่อเป็นเช่นนั้น แกจะร้องไห้ไปทำไมลูกชายฟื้นขึ้นมาพบความตรณีทีเหนียวของพ่อเขาเดี๋ยวก็ตายไปอีกเป็นคำรบที่สองหรอกก็พรามเป็นคนขี้ตืดอะไรอย่างนี้แล้วจะร้องไห้หาพระแสงอะไรร้องไห้ไม่เข้าท่าท่านคิดดูเถอนะว่าสองเรานี่ใครนะโง่กันพรามได้สดับจย่างนั้นจึงคิดว่าเออเราอุดสาตนีทีเหนียวเก็บเงินทองไว้มากมาย บางครั้งหิวแทบตายไม่กล้าซื้ออะไรรับประทานยอมอดทนอยากปากแห้งดูเอาเถิดแม้ชีวิตของลูกชายสุดที่รักทรัพย์สม บ, บัติมากมายก็ไม่ยอมพักออกมาเยียวยารักษาแล้วเงินมากมายจะมีประโยชน์อะไรแก่เราช่วยอะไรเราไม่ได้เลยเรานี่ก็คือปูโสมเฝ้าทรัพย์มีทรัพย์กลับได้รับทุกเก็บไว้ก็กลัวโจรต้นจะใช้จ่ายก็กลัวเงินหมดต้องอดอยากปากแห้ง ทุกทรมานอีกต่างหากต่อจากนี้ไปเราจะขอเป็นผู้มีใจเสียสละบำเพ็ญบุญทานการกุศลเป็นสเสบียงเลี้ยงตนในเบื้องหน้าจะดีกว่าตั้งแต่นั้นมาพราหมณ์ขี้เหนียวก็กล้าไปคุณมุ่งมั่นในทานการกุศลเพื่อว่าเดวสารหนึ่งชีวิตจะได้มีความสุขตลอดกาลนานญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอานิสงส์แห่งการตะบุนให้ทานที่เขียนได้ในปัจจุบัน ซึ่งเห็นอย่างทันตาเห็นนั้นมีปรากฏอยู่ในคมพีพระพุทธศาสนาก็คือเรื่องราวของเจ้าหญิงโรฮินีน้องสาวของพระอนุตเทระดังมีเนื้อความจะนำมาเล่าต่อไปนี้ซาบัยหนึ่งพระอนุตเทระเดินทางไปกรุงกระบีลพัดพร้อมกับพระภิกษุบริวารห0 0รอรูปพระญาติตามพากันมากราบไหว้แต่ไม่เห็นแม้แต่เงาของเจ้าหญิงโรหินี ที่เป็นพระกนิษฐาของพระอนุตเถระกานสอบถามได้ความว่าที่เธอไม่กล้ามาพบหน้าพี่ชายก็เพราะเธอละอายที่เป็นโรคผิวหนังทั่วทั้งตัวแม้จะพยายามรักษาหายามารักษาเท่าไร่หมดเบืองไปเท่าไหรมากมายก็ไม่หายพระเทระจรึงบอกให้เธอขายขึ้นประดับเอาเงินส่วนตัวมาสร้างศาลาโรงฉันเพื่อบิณุบายในการรักษาโรคอันเกิดแต่กรรมเก่าของน้องสาวของท่านเอง เจ้าหญิงโรยินีเชื่ออีกฟังยอมทําตามนั้นได้สร้างศาลาโรงชั้นสองชั้นปูพื้นไว้ใต้ถุนเพื่อตอนเองจะได้เข้าไปปัดกวาดทำความสะอาดเป็นประจำเจ้าหญิงโรฮินีปฏิบัติอยู่อย่างนั้นไม่นานนักโรคผิวหนังทั่วทั้งร่างก็หายไปเป็นปิดทิ้งด้วยยาเพียงขนาดเดียวเท่านั้นทั้งทั้งที่เมื่อก่อนนั้นเธอรักษาสิ้นเปลืองทรัพย์ไปมากมายใช้ยาขนาดไหนก็ไม่หายนี่เป็นนาริสงแห่งทาน ที่เห็นได้ในปัจจุบันท่านตาเห็นตาที่มีปรากฏอยู่ในกำปีพระพุทธศาสนาขอจบการมารยายทธรรมในวันนี้แต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอากาสหน้าในวันและเวลาเดียวกันนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีเก่ทุกท่านทุกการเทินขอเจริญพร จูชนียาเอตัมมังคะมุตมตังการบูชาในสิ่งที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุดขอเชิญกราบนมัสการบูชาพระประธานพุทธชัยมงคลและพระคู่บารมีพระประธาน ที่ประดิษฐานนอุโบสถวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีและเชิญกราบนมัสการบูชาพระบรมสารีริกธาตุที่สำคัญอีกมากมายการกราบนมัสการบูชาในสิ่งที่ควรบูชา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 เข้าวัดไซกราบพระพุทธชัยมงคลกลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการ และที่ท่านสาธุชนได้รับฟังจบลงไปสักครู่นั้นก็เป็นธรรมบัญญายเรื่องอานิสงฆ์ของการให้ทานโดยพระอาจารย์มหามนตรีขันติสาโรประเดียนธรรม9้าวประโยชน์วัดปากน้ำผาสีเจริญกรุงเทพช่วงเวลาที่เหลือจอจากนี้ไปนิดหนึ่งอาตมาข อ, อนำส่วนหนึ่งของปาตกรถาธรรมที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภาวนาวิสุทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดหลวงพรสดธรรมกายรามอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีได้พูดถึงการให้ทานในส่วนของจ่าค้าสัมปทาว่าความถึงพร้อมด้วยความเสียสละหมายถึงความเป็นผู้มีอุปนิสัยในการเสียสละความสุขส่วนตัวและสิ่งที่ให้ความสุขส่วนตัวเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขแก่ผู้อื่น กล่าวโดยย่ อ, อ ก, ก็คือความเป็นผู้มีอุปนิสัยในการเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนผู้อื่นนั่นเองการเสียสละโดยการบริจาค ก, การให้โดยการแบ่งปันทรัพย์สิ่งของมีปัจจัยสี่เป็นต้นแก่ผู้อื่นเรียกว่าอามิสทานส่วนการประพฤติปฏิบัติรมโดยทางศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นเพื่อขจัดขัดเกลากิเลสของตน ดำรงตนอยู่ในคุณความดีเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นและหรือช่วยแนะนำสั่งสอนผู้อื่นให้รู้ให้เข้าใจในธรรมให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามพระสัตยธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อช่วยส่งเสริมอุปถัมปการให้การศึกษาอบรมหลักธรรมและการปฏิบัติพระสัตธรรมแก่ผู้อื่นเรียกว่าธรรมทานคือการให้ธรรมเป็นทานคุณความดีในการเสียสละ โดยการบริจาค ก, การให้หรือการแบ่งปันดังกล่าวทั้งอามิสทานและธรรมทานนี้ชื่อว่าทานกุศลการเสียสละโดยการให้ทานทั้งสองอย่างนี้คืออามิสทานทานที่เป็นวัตถุหรือทรัพย์สิ่งของและธรรมทานคือการละกิเลสจากใจตนหนึ่งและการให้ทําเป็นทานหนึ่งสองอย่างนี้ให้ผลต่างกันดังพระพุทธธรรมรัตน ตรัสไว้ว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติธรรมทานย่อมชนะทานทั้งปวงหมายความว่าธรรมทานให้ผลสูงกว่าอามิสถานเพราะธรรมทานเป็นเครื่องขจัดขัดเกลากิเลสทั้งของตนเองและของผู้อื่นให้สิ้นไปเพื่อเป็นธรรมคือเป็นปัญญาส่องสว่าง ให้เห็นทางดำเนินชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขและให้ถึงมรรคผลนิพพานที่เป็นอมตะธรรมที่สิ้นสุดแห่งทุกทั้งปวงนั่นเองนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของปาทัคาธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภาวนาวิสุทธิคุณปฐมเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามที่ทางรายการนำมาปิดท้ายรายการของธรรมส่สันติวันนี้และ ขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจไฝ่ธรรมทุกท่านโปรดติดตามรับฟังธรรมะสารธรรมเพื่อนำไปประยุกใช้ในการดำเนินชีวิตจากทางรายการได้เป็นประจําในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสถานีแห่งนี้ก่อนจากกันวันนี้อาตมาภาพและคณะผู้จัดธรรมขออนุโมทนาสาธุการแก่เจ้าหน้าที่ของทางสถานีทุกท่านโดยเฉพาะท่านผู้อำนวยการ ที่ได้ให้เวลาแก่ทางสถานีมานโอกาสนี้ด้วยและขอให้สาธุชนผู้ฟังทุกท่านจงเป็นผู้ปราศจากภัยพิบัติทั้งปวงมีอายุมั่นขวัญยืนจเจริญรุ่งเรืองในพระสัตธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกท่านทุกคนเทินจเจริญพร